สองจุหนึ่งหนึ่งหลวงปู่ดูลสอนแยกรูปถอดเห็นสุญญาตาวงเล็บเปิดห้าพฤษภาคม2550ันห้าอห้าสิบจุดจุดนาทีสิบวงเล็บปิดพอเราใจลอยคน ท, ทั่วไปรู้ว่าใจลอยจะดึงแล้วกลัวไม่ดีแต่ถ้าวันหนึ่งเราภาวนาจนกระทั่งเป็นกลางกับความใจลอยเราเห็นใจลอยแล้วเราไม่ดึงเลยนะมันรู้อยู่แค่นั้นเองมันจะค่อยๆปรับตัวเข้าที่มันเองจนมาเป็นกลางๆงเอง ทีนี้พอจิตมันปรับตัวเข้ามาสู่ความเป็นกลางรู้ตื่นเบิกบานเป็นกลางมากๆเข้ามันจะจําตรงนี้ได้มันก็มาอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยมันไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วมันอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แล้วมีความสุขใจมันจะโล่งๆว่างๆหลวงปู่ดูลเคยสอนบอกว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดแยกรูปถอดก็ถึงความว่างแยกความว่างเพิกความว่างไปถึงมหาสุญญาตาปิดเครื่องหมายคําพูด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 อย่าประคองให้เฉยนะบางทีใจเฉยกับความว่างนะแล้วไปประคองไว้กับความว่างปล่อยๆใจถึงถึงหน่อยแต่ไม่ใช่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเลวหลวไหลนะหมายถึงปล่อยการบังคับจิตจริงๆมันสุดง่ายเลยนะที่หลวงปู่ดูลพูดแต่ละคําพูดสั้นๆนะแต่ทําหลายปีเคยมีลูกศิษย์ท่านองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อคืนหลวงปู่ดูลสอนอะไรสั้นๆก็บอกว่าหลวงปู่สอนเอาแต่ได้ใครจะทําได้ละ่ะว่าท่านต่อหน้าเลยนะ บอกให้ปล่อยวางอะไรอย่างนี้นะท่านสอนง่ายๆนะแยกรูปถอดสังเกตไหมอย่างความสุขความทุกข์กุศลอกุศลนี่มันถอดมาจากความว่างๆที่แรกมันไม่มีอะไรมันว่างๆใช่ไหมอยู่ๆมันมีอะไรถอดออกมาถอดออกมาเป็นความสุขเป็นความทุกข์เป็นกุศลเป็นอกุศลให้เรารู้ไป รู้ไปด้วยใจที่เป็นกลางใจไม่ปรุงต่อนะถึงจุดหนึ่งมันจะว่างพอว่างแล้วก็รู้ความว่างด้วยใจที่เป็นกลางไม่ปรุงต่ออีกพอไม่ปรุงต่อนะมันจะผ่านไปได้ปล่อยวางความยึดถือในความว่างตัวนี้ว่างตัวนี้ไม่ใช่มหาสุญญาตาท่านถึงบอกว่าแยกรูปถอดนะถึงความว่างแยกความว่างเพิ่อความว่างไปถึงมหาสุญญาตาคือทำแท้ ทำแท้ๆที่ไม่เกาะเกี่ยวกระทั่งความไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นใจของเรายินดีในความว่างเราก็รู้ใจของเราลังเลสงสัยว่าจะเอายังไรดีก็รู้ว่าลังเล